ใต้คนไม้สีมหาภูทรงตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่อธิษฐานรัตนบัณลังแล้วก็อธิษฐานต่อไปว่าถ้าว่าแม่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปถ้าหากว่า ไม่ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพูทธิยานแล้วะจะไม่เสด็จลุก ข, ขึ้นจากที่แล้วทรงประรบความเพียรคือเริ่มต้นเจริญภาวนาธรรมการเจริญภาวนาธรรมนั้นพระองค์ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุถฌานซก่อน ในยามต้นแห่งราตรีเมื่อจเจริญถึงจตุทชาญแนวกิเลสนิวรเป็นอันสงบหมดไปตรงนี้ตรงกับธรรมะปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมหาสติปฐานสี่ คือให้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณห้ากำจัดกิเลสนิวรณในเบื้องต้นซะก่อนและเมื่อกำจัดกิเลสนิวรแล้วจิตใจเป็นสมาธิแนวแน่มั่นคงตั้งแต่ปฐมฌานถึงทุ ก, าา ต, าากติยฌานตธิยฌานจตุตถฌานนั่นเป็นหนึ่งในอาริยมรรคมีองค์8 ซึ่งก็อยู่ในข้อมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนสมถะก่อนก็โดยเหตุผลนี้เป็นความจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมถะให้ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง เพื่อกำจัดกิเลสนิวร์ซะก่อนเมื่อกิเลสนิวร์หมดไปแล้วช่วงนี้ของสมถะราคะก็ถูกกำจัดไปนั่นคือก้ามฉันทะราคะหมดไปจิตจึงอ่อนโยนควรแก่ การเจริญวิปัสสนารู้แจ้งในสภาวะธรรมและในพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเมื่อปัญญารู้แจ้งแล้วนั้นชื่อว่าวิปัสสนาแต่วิปัสสนานี่มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคืออนุวิปัสสนา การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในเบื้องต้นมีสภาวะที่เป็นอนุวิปัสสนาหรือจัดอยู่เป็นขั้นสมถะเพราะเพียงทำใจให้สงบหยุดนิ่งแม้จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแต่อนาาัตถาอนัตตานั้นไม่แจ่มแจ้งเด็ดขาดและตราบใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในอริยสัจทั้งสี่ อาริยมักยังไม่เกิดและยังไม่เจริญที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานประหารสัญญอ์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้แล้วยังจัดเป็นอนุวิปัสสนาจัดเป็นขั้นสมถะเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจึงกล่าวว่าจเจริญภาวนา เข้าสู่กายเวทนาจิตธรรมของกายในภพสามคือกายมนุษย์มนุษย์ละเอียดทิพย์ทิพย์ละเอียดพรหมพรหมละเอียดอรูปรพมรูปภพละเอียดนั้นยังจัดอยู่เป็นขั้นสมถะคือตามรู้เห็นมีสติตามรู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในคือส่วนละเอียดไปสุดละเอียดถึงอรูปรพมที่สุดละเอียดแล้วนั้น เพียงทำใจให้สงบเห็นความเกิดดับในลักษณะของอนิจจังทุกขังแต่อนัตตายังไม่แจ้งยังไม่แจ้งโดยเด็ดขาดเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่แจ้งโดยเด็ดขาดต่อเมื่อแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้งสี่มรรคจิตเกิด ได้เห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งสภาวะธรรมของสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นวิญญาณครองชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและไม่มีวิญญาณครองชื่อว่าอนุปาทินิกะสังขารแล้วนั่นนี่ เห็นแจ้งเพียงเท่านั้นยังไม่พอต้องเห็นแจ้งต่อไปอีกถึงวิสังขารคือพระนิพพานว่ามีสภาวะทำอย่างไรสภาวะของธรรมชาติที่เป็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา สภาวะที่เป็นวิสังขารเป็นอย่างไรเมื่อเห็นแจ้งเด็ดขาดแล้วนั้นทุกขสัจจะจึงกำหนดรู้ได้จริงแล้วก็สมุทยัยจึงจะละได้ นิโรธจึงเห็นแจ้งได้เพราะวิสังขารปรากฏแม้เป็นความปรากฏแวบเดียวในระดับโคตรภูยานที่จะเกิดแล ะ, จะเจริญขึ้นเป็นมักคยานผลญาณในระดับโลกุตรธรรมที่ประหารสัญชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก นั่นต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการทำนิพพานให้แจ้งต้องแจ้งตั้งแต่ช่วงที่เป็นโคตรภูยานที่จะก้าวล่วงข้ามโคตรปุทุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลคือมัคคยานผลญาณตรงนี้จึงเป็นโล ก, กุตระปัญญา ที่มัคจิจมักคปัญญาเป็นพนักงานปหารสัญโยตกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดไปได้เป็นสมุทเฉตปหารตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และความที่จะปะหารสัญโย์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้หมดนั้นต้องขุดรากขุดเหง้า ของเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์เหตุในเหตุที่ว่านั้นมีอะไรทุกข์เกิดเพราะชาติเกิดมีชาติชาติชรามรณะจึงเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานี่เป็นทุกข์ชาติมีก็เพราะ เกิดพบพบมีก็เพราะอุปทานอุปทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมนั่นแหละด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนบุคคลเราเขาของเราของเขาเข้าไปยึดแล้วสร้างกรรมกระทํากรรมกรรมดีก็ดีที่ยังไม่หมดเหตุในเหตุแห่งทุกข์ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมชั่วกรรมชั่วนี่กรรมมังคตังวิญญาณนางพีชังตัวมเมล็ดพืชพันธุ์ที่จะไปเกิดคือวิญญาณ น, นี่แหละสามอย่างนี่แหละประกอบกันขึ้นเพราะอุปทานให้เกิดภบชาติชะรามรณะทุกข์และที่เกิดเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะตัญหาดังกล่าแวแล้ว ตัญหาเกิดเพราะอะไรก็เพราะตรงนี้สำคัญก็เพราะเวทนาเวทนาเกิดเพราะอะไรล่ะเพราะผัสสะผัสสะเกิดเพราะอะไรเพราะมีอายตนะภายในและภายนอกอายตนะภายในอะไรล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกล่ะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกาย เมื่อตากระทบรูปนี่เป็นตัวอย่างเดียวจิตปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาว่าเออไอนี่น่ารักไอนี่ไม่น่ารักก็เกิดตัณหาความทยานอยากมีอยากได้อยากเสพอยากมีไว้ในครอบครองมีความหวงเห็นหรือว่าไม่ชอบใจก็เป็นวิภาวะตัณหา การมตัณหาภาว ะ, วะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกตัวสาคัญความจริงมันสาคัญทุกจุดเเมื่อเกิดเวทนาที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วก็สร้างกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกิเลสและก็สร้างกรรมกรรมดีบางกรรมชั่วบางดีก็ไม่ใช่ดีสุดดีมันดีเพียงที่จะให้เกิดผลเป็นวิบากให้ได้รับผลในระดับโลกียะเป็นความสุขความเจริญในทางโลกแต่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไออยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ได้มาแล้วต้องบริหารต้องรักษาต้องระวังระวัยก็เป็นทุกข์พลัดรากจากของรักของห่วงเห็นก็เป็นทุกข์เป็นไปตามกรรมก็เป็นทุกข์เหล่านี้นี่แหละสลายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัดสะเวทนาสัญญา ปัตตะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดและทํากรรมขึ้นมาพบชาติชรามรณะทุกข์แหลชลายตนะคืออายตนะมีอายตนะภายในซึ่งจะไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกเกิดขึ้นเพราะมีนามรูป ฝ่ายที่เห็นเป็นรูปร่างที่สมมุติกันขึ้นแล้วก็ฝ่ายใจเป็นนามะรมประกอบด้วยนามะขันสีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดผัดสา้ดังกล่าวแล้วนามรูป วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนั้นเองเมื่อกี้นี้ที่กล่าวแล้วแล้ววิญญาณะสังขารความปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วก็นามรูปแล้วอะไรเป็นต้นในต้นของปัจจัยเหล่านี้อะวิชาความไม่รู้ ตัวนี้สำคัญอวิชามีอะไรละ่ะอวิชาก็ความไม่รู้อดีตหรือไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้อนาคตหรือไม่รู้เบื้องปลายเงื่อนปลายไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือยังไงละ่ะเราเป็นใครมาจากไหน เราไม่รู้นี่ข้อหนึ่งอดีตชาติเราเคยเกิดมาเป็นอย่างไรหรือไม่เราไม่รู้ไอความไม่รู้ไม่เห็นตัวนี้แหละเป็นหนึ่งในอวิชชาเพราะฉะนั้นทำให้เราไม่รู้เหตุไม่รู้เหตุว่าทำไมเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ไปถึงสัตว์อื่นก็เกิดเหมือนกัน และวถ้าใบางคนมันเกิดมาดีบางคนเกิดมาไม่ดีไม่รู้และแม้ที่ทำกรรมอยู่ในขณะนี้จะมีผลอย่างไรต่อไปในอนาคตก็ไม่รู้นี่แหละเรียกว่าไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตตายไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกเหมือนกันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ถ้ามันรู้มันเห็นก็เห็นมั น, นก็รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตได้ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างนี้ดีอย่างนี้ไปสวรรค์ดีไม่ดีอย่างนี้ไป น, นรกไม่เห็น hmm ไม่เห็นเลยไม่รู้นี่แหละไม่รู้ทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลายไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อริยสัจ อย่างแจมแจ้งก็ได้แต่ท่องกันไปนี่อย่างเราเชาวพุทธเราเรียนมาก็ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสีมีทุกข์สมุทัยนิโรธมักท่องได้แต่แจมแ จ, งจ้งจริงๆไม่แจ้งเพราะถ้าใครแจ้งเป็นอริยบุคคลทันทีพระอริยบุคคลท่านแจ้งด้วยปัจจกักสิทธิญาณ คือความรู้แจ่มแจ้งที่เข้าถึงเองรู้เห็นเองแต่เรานี่อนุมาณสิทธิรู้ตามเขาเขาว่านั่นยังรู้ไม่จริงและถ้ายิ่งนอกพระพุทธศาสนาไม่รู้หนักเอาซะเลยหนักจริงๆไม่รู้เลยทุกสมุทัยนิโรดมักไม่เคยได้ยินถึงได้ยินก็ว่าอะไรก็ไม่รู้ นั่นหนักเท่าไปเลยนั่นอวิชาที่หนักยิ่งไปกว่าอีกหลายเท่าตัวแล้วไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุว่าอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปไปตามลำดับจนถึงอุปท า, านพบชาติชะรามรณะทุกข์ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างไรเนี่ยไม่รู้ไอความไม่รู้นี่แหละ มันทำให้สัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเดี๋ยวนี้แหละคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดเยอะแต่ไม่รู้หรือบางอย่างรู้แต่มันยังไม่แจ้งในหัวใจจริงๆมันก็เลยฝืนทบหรือว่าทำผิดไปทั้งอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติ ที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่สดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในหัวข้อเรื่องหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นซึ่ง ได้นํามาจากบรรยากาศการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่22ซึ่งโครงการอบรมพระกรรมฐานนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะหใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสถาบัน ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายมาตั้งแต่ต้นเริ่มก่อตั้งสถาบันโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาจึงมาเริ่มสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งยกฐานะขึ้นเป็นวัด ชื่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ74ไร่เศษอยู่ในบริเวณเนื้อที่ของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายกว่า2ร้ยไร่เศษได้ดำเนินกิจการการอบรมเผยแพร่ธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและเยาวชนผู้สนใจผู้ตั้งใจเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติหลักธรรมครำสอน ในส่วนของทั้งหลักปริยัติคือเรียนในส่วนของคำภีในพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างไรอัตถกถาว่าไว้อย่างไรและในส่วนของธรรมปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแสดงแนวทางเอาไว้ในหลักสมถภูมิสี่สิบและหลักการเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธองค์แสดงไว้อย่างไรก็ปฏิบัติอยู่ในแนวนั้นนอกจากนั้น เมื่อศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยดีแล้วยังเกิดผลเป็นปฏิเวทคือปฏิเวทสัจธรรมผลของการปฏิบัติมากน้อยตามส่วนตามศักข์แห่งบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญมาก็จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตของพระโยคาวจรหรือผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเองให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงในหลักของสัจธรรม ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้คือกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในการอบรมแต่ละรุ่นก็มีพระภิกษุสามเณรสาธุชนเข้ามาอบรมกว่าพันท่านในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นซึ่งปีนี้ก็ในขณะนี้ก็เป็นรุ่นที่37แล้ว ท่านสาธุชนท่านใดผู้มีความสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้าไปขอรับสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ที่หมายเลขโทรศัพท์รหัส032254650กดต่อ220 ได้เป็นประจําทุกวันสําหรับวันนี้รายการธรรมะสุสันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมบัรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร